สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่ากลัวหรือว่าเรื่องราวที่อาจจะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะของคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งเข้ามาค่ะหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังจากบรรดาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังแล้วก็มีโอกาสได้ส่งเรื่องราวเหล่านี้มาให้บีถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทาง f a c e b o o k แฟนเพจพระเจอผีนะคะโดยสมาชิกที่ชื่อว่าประพันธ์ค่ะร่างนั้นโผล่ออกมาจากความเลือนลางของแสงไฟใกล้โคง้งแถวถนนริมหน้าตลาดน้อยข้าพเจ้าดันเสือไปเห็นเข้ากับกลุ่มร่างคนบนรถรางเก่าซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจและแน่ใจว่ารถรางได้ถูกยกเลิกวิ่งไปนานแล้วตั้งแต่ปี2511 แต่ว่าวันนี้กลับหวนย้อนมาวิ่งกันอีกครั้งตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมข้าพเจ้าถึงไม่ได้รับข่าวสารอนายินดีนี้พวกเขานั่งมากันจนแน่นบนรถรางข้าพเจ้าเห็นกลุ่มหญิงชายที่พูดคุยกันมาตั้งแต่โค้งสานักหนังสือพิมพ์จีนพวกเขาแต่งกายคล้ายกับคนในสมัยรัชกาลที่6โดยสวมหมวกปีกชุดระบายลายลูกไม้สีขาวส่วนผู้ชายนั้นสวมเสื้อ จับยกคอตั้งแบบชุดราชประแตนพวกที่ยืนห้อยแต่งตัวคล้ายกับชาวบ้านสวมเสื้อกุยเฮงก็เดาได้ว่าพวกนี้น่าจะเป็นชาวจีนเมื่อสังเกตจากทรงผมของพวกเขาที่ไว้กันแล้วน่าจะเป็นชาวจีนอย่างที่เดาไว้รถยนต์ของข้าพเจ้าวิ่งเลียบคลองพดุงกรุงกรเกษมในยามดึกของคืนนั้น จำได้ว่าหน้าปัดนาฬิกาในรถแสดงแจ้งเตือนเวลาตี2กว่าก่อนที่รถของข้าพเจ้าจะวิ่งผ่านหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงข้าพเจ้ามีกิจธุระกับกลุ่มพวกแถวถนนพี่ชยัยพวกเรานั่งคุยกันมาตั้งแต่หัวค่ำเมามันกันจนปลาเข้าไปเกือบจะตีหนึ่งดูความแล้วจึงได้โอกาสแยกย้ายกันออกมาดวยว่าหนึ่งคนในกลุ่มเพิ่งจะกลับออกมาจากราชการทางเรือ 3- สี่คนที่เหลือที่นั่งร่วมโตะ๊ะ ซึ่งก็เป็นอดีตทหารเรือนอกราชการทุกวันนี้ทำงานเป็นนายช่างต่อเรืออยู่ที่อู่ต่อเรือเอกชนแถววัดยานนาวาบางรักข้าพระเจ้าไม่ได้พบปะกับคนกลุ่มนี้มาหลายปีจ่าสุเมศเป็นอดีตทหารเรืออยู่ที่กรมอู่ทหารเรือบางกอกน้อย ครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าเคยมีโอกาสแวะเวียนไปนร่ำสุรากับเขาที่บ้านริมคลองบางหลวงอยู่สองสามครั้งซึ่งก็จําได้ว่าสุเมธมีอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งเป็นพวกนักเกลงพระรับเช่าซื้อพระอยู่แถวตลาดพลูส่วนสาคอนนาวาวียระเป็นอดีตทาหารเรืออยู่ที่กรมขนส่งสี่คนที่ว่านี้ออกจากราชการกันมาหลายปีแล้ว ตอนนี้เหลือแต่ทัศนะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งที่ยังคงรับราชการเป็นนายทหารเรืออยู่ที่โรงเรียนจ่าชุมพลทหารเรือสำหรับทัศนะนั้นเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมัธยมกับข้าพเจ้าเข้าหัวไวฉลาดหลักแหลมพอเรียนจบชั้นปอปลายเขาก็สอบเข้าที่นักเรียนจ่าชุมพล ส่วนข้าพเจ้าฝันเป็นนักเป็นหนาว่าอยากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์แต่ก็สุดท้ายแล้วเบนเข็มมาเรียนศิลปะโดยทุกวันนี้รับจ้างเขียนภาพประกอบอยู่ที่โรงพิมพ์หลังวัดมหาพฤฒารามเช่าห้องเป็นรังนกน้อยอยู่ที่ชั้นสามของตึกเก่าข้างโรงพิมพ์ที่ตัวเองทํางานซึ่งวันวันนั้นข้าพเจ้าก็ได้แต่กลิ่นของกองกระดาษต้นฉบับเรื่องเล่าผี แต่ก็อย่างว่าแหละครับข้าพเจ้าไม่ค่อยจะเชื่ออะไรกับเรื่องงมงายจำพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะด้วยว่าตนสนิทสนมกับพวกนักนิยายขายที่เอาผีมาขายกันอยู่หลายคนคนพวกนี้นิยมดื่มสุดาบางคนก็เสพกัญชากันข้าพเจ้าจึงพอเข้าใจได้ว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาใช้จินตนาการมากกว่าเอาเรื่องผีจริงๆมาเขียนมาเล่าในนิยายของพวกเขารถยนต์มันวิ่งวนมาตามบังคับของถนน ข้าพเจ้าจําได้ว่าฝุ่นมันตลบฟุ้งไปทั่วตรงทางบังคับโค้งหน้าสํานักหนังสือพิมพ์จีนข้าพเจ้าหักพวงมาลัยรถวิ่งฝ่าฝุ่นเข้าไปไม่ทันอึดใจจากฝุ่นฟุ้งก็กลายเป็นหมอกควันบางๆให้ตายเถอะครับข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองขับรถหลุดเข้ามายังอีกมิติหนึ่ง เพราะว่าในยามนี้ไฟหน้ารถของข้าพเจ้าเองกําลังส่องไปยังที่ท้ายรถรางเก่าที่ทางการเขายกเลิกวิ่งมาร่วมจะ 30-40 ปีแล้วข้าพเจ้ารีบเหยียบเบรกจนตัวโกงจับพลันเจ้ากรรมฝ่ามือเวรของข้าพเจ้าเองดันไปกระแทกโดนเข้ากับตแตรที่หน้าพวงมาลัยกลุ่มควันสีขาวยังคงหมุนติ้วติ้วอยู่ไม่ห่างจากไฟหน้ารถแล้วก็ท้ายรถรางที่อยู่เบื้องหน้าผู้คนในรถรางนั้นหันหน้ามาพร้อมกันทั้งรถ พวกเขาจับจ้องมายังกระจกหน้ารถของข้าพเจ้าด้วยสายตาที่เยือกเย็นพรางขมวดคิ้วแล้วก็ซุบซิบกันข้าพเจ้าสารภาพตอนนั้นว่ารู้สึกเหมือนตัวเองหลุดทะลวงเข้ามายังอีกมิติหนึ่งอย่างที่ว่าในใจก็คิดไปว่าตัวเองอาจจะกำลังนอนหลับอยู่ที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นที่ร้านแถวพี่ชายหรือที่หอพักพยายามหยิกที่แขนตัวเองอยู่สองสครั้งแน่นอนว่าสัญญาณความเจ็บแจ้งเตือนข้าพเจ้าในทันทีทันใด ข้าพเจ้าไม่ได้กําลังหลับอยู่ในที่แห่งใดหากแต่ว่ายามนี้ข้าพเจ้าเองกําลังอยู่ที่หลังพวงมลาลัยรถซึ่งจอดอยู่ท้ายรถรางโบราณไม่ห่างจากตลาดน้อยเฮ้ยเสียงเคอกระจกดังสนั่นไปทั่วรถใครคนหนึ่งสวมเสื้อราชประแดนกําลังยืนจ้องหน้าข้าพเจ้าที่หน้าต่างฝั่งคนขับดวงตาของเขาวาวสุขคล้ายกับสีของไข่ต้มตรงกลางมีจุดสีดําเล็กๆ เ, เ, เป็นตาดํา นายจะไปไหนล่ะพ่อหนุ่มชายคนนั้นเอ่ยปากถามข้าพเจ้าจากที่นอกตัวรถแต่แปลกตรงที่น้ำเสียงของเขากับดังกังวานอยู่ในหูทั้งสองข้างคล้ายกับว่าเขาเองนั่งอยู่ร่วมรถคันเดียวกับข้าพเจ้าผมผมจะไปหน้าวัดยวนครับเขาทำตาสงสัยใส่ข้าพเจ้าพลางชี้มือชี้ไม้เรียกให้ข้าพเจ้าลงมาจากรถข้าพเจ้าเหลือบตาหันไปมองอย่างที่ท้ายรถรางกลุ่มคนบนรถ ยามนี้พวกเขากลับส่งยิ้มให้กับข้าพเจ้าพรางส่งเสียงเรียกพร้อมกับโบกไม้โบกมือเป็นสัญญาณว่าให้ข้าพเจ้ารีบลงมาขึ้นรถรางร่วมขบวนไปกับพวกเขาอันนี้ข้าพเจ้าสารภาพเลยว่าตนเองรู้สึกเช่นนั้นในความคิดนายจะไปขึ้นรถรางที่วัดยวนทําไมล่ะขึ้นด้วยกันซะทีนี่เลยสิข้าพเจ้าสา่หัวก่อนจะเอ่ยปากออกไปผมขับรถของผมไปเอง เขาทำสีหน้าไม่พอใจใส่ข้าพเจ้าก่อนที่จะเดินหายขึ้นไปบนรถรางนี่มันวันอะไรกันข้าพเจ้าแอบรู้สึกหวาดหวาดในหัวใจผู้คนยืนเรียงแถวกันคล้ายกับว่าเป็นป้ายรถอยู่ตรงหน้าตลาดน้อยรถของข้าพเจ้าค่อยๆเคลื่อนตัวตามท้ายรถรางไปด้วยความเชื่องช้า รถรางวิ่งผ่านหน้าตลาดน้อยไปจอดอยู่ที่หน้าวัดยวนมีชาวจีนสวมเสื้อกุยเฮงสีขาวยืนต่อคิวขึ้นรถรางกันอยู่3ามสี่คนสายตาของใครคนหนึ่งที่ทายรถรางจ้องมาที่ตาค้าพเจ้าฉับพลันเสียงของใครคนหนึ่งก็ดังแว่วเข้ามาในรถอย่าขับตามรถรางไปไอ้หลานชายข้าพเจ้าได้ยินท้อยคาแถลงนั้นอยู่หลายครั้งก่อนที่จะเบรกแล้วก็หยุดรถเสียงของใครกันที่บอกกับข้าพเจ้า มันช่างเป็นน้ำเสียงที่แหบซ่านคล้ายคนสูงอายุปู่ทวดเองปู่ทวดของเจ้าเองเสียงพูดของใครคนใดคนหนึ่งนั้นดังกล้องกังวานทั้งสองหูของข้าพระเจ้าถียิบพร้อมกันกับขบวนรถรางกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวฝ่าสายหมอกทะลุผ่านกำแพงตึกเก่าตรงโค้งวนเวียนไม่ห่างจากวัดไตรมิตรข้าพเจ้าส่งน้ำหนักปลายเท้าของตัวเองไปที่เบรกรถอยู่นานสองนานก่อนที่สติจะกลับมา พร้อมกับเสียงเพลงของวิทยุในรถจะดังขึ้นริดปรีปริดเสียงนกหวีดให้รถจอดจอดจ้าจอดถึงตามยอดรถจอดทันทีอเฮียอย่าพิ่งขึ้นมาอเาฮียอย่าพึ่งขึ้นมาขอให้คุณป้าจะลงก่อนตีขึ้นแล้วก็เถิบเข้าในตาตงเตรียมไว้จะได้รอรีหลักเมืองถึงเอสเอบ หลักเมืองถึง S A B ราคาเขามีสามติดตาไว้ก้าวไว้นแล้วเดินในจะได้หยุดยัง mm ้ง hmm. เบียดกันโปรดจงระวังเบียดกันโปรดจงระวังกระเป๋าตะต mm ัง hmm. ท่านจะหายไปท่านหญิงโปรดเดินข้างในท่านชายจะลุกให้นั่ง mm hmm. ว่ายังไงข้าเล่าอาบาหังว่ายังไงกันเล่าอาบาหังตัวหรือยางโปรโดบอกว่าให้ริ รีริดเสียงนกขวีนละหารถจอดจอดกาจอดถึงสายอด